บทลงท้ายความสุขที่สมบูรณ์ดูอย่างไรทีนี้ก็มาถึงละะักษณะของความสุขอย่างสูงสุดซึ่งตามหลักพระพุทธาศาสนาผู้สรุปรวบรักทีเดียวก็คือนิพพานังปรมามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขที่สูงสุด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 2. เป็นสุขอิสระไม่ต้องพึงพาไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรเช่นไม่อศัยสิ่งเสพสสุขล้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีทุกข์แฝงหรือข้างคาเหลืออยู่เลยเพื่อให้คล่องปากอาจพูดเปลี่ยนลำดับว่าสุขอิสระสุขล้วนสุขตลอดเวลา ข้อแรกความสุขอย่างสูงสุดนั้นมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะเป็นคุณสมบัติของชีวิตไปแล้วเป็นของประจำตัวเมื่อมีอยู่ข้างในของตัวเองมีอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องหาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนจะจ่าริกรอนรมไปกลางป่าบนเขามีคนหรือไม่มีใครอย่างไรก็มีความสุข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 ต้องพึ่งพาวัตถุนี่หละการมาสุขหรือสามิสุขนั้นเรียกได้สะดวกลิ้นไทยว่าอามิสุขก็ได้เป็นสุขที่ขึ้นต่อสิ่งเสพอาศัยของรักของชอบข้างนอกไม่เป็นอิสระกับตัวเองอย่างรูปรสกลิ่นเสียงและสมัมผัสทั้งหลายเราต้องขึ้นกับมันทั้งนั้นคือจะมีสุขได้ก็ต้องพึ่งมันต้องอาศัยมัน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 ข้อสเป็นความสุขที่สมบูรณ์ลักษณะที่สมบูรณ์ก็คือไม่มีทุกข์แฝงไม่มีอะไรรบกวนหรือค้างคาระคายคนในโลกจำนวนมากบอกว่าเขามีความสุขแต่ลึกลงไปยังมีทุกข์หรือมีเหตุแห่งทุกข์แฝงอยู่เช่นมีกังวลวันใจหวาดระแวงห่วงค้างคาระคายใจ บางก็มีอาการเหงาหงอยอ้างว้างว้าเวบอกว่ามีความสุขแต่สวยสุขเหล่านั้นไม่โลงไม่โปรงไม่ได้สุขเต็มที่ทีนี้พอหมดเหตุแห่งทุกข์ในตัวแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีทุกข์อะไรจะเหลือจะแฝงที่จะมารบกวนระกไยใจจะสวยสุขอื่นอะไรก็ได้ความสุขนั้นเต็มที่ เป็นความสุขอยู่แล้วในตัวด้วยและทำให้พร้อมที่จะสวยสุขอื่นอย่างเต็มอิ่มด้วยเหมือนอย่างพระอระหันต์ซึ่งมีสุขประเภทสมบูรณ์นี้อย่างที่ว่ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวทั้งที่สุขอยู่แล้วนี้พร้อมกันนั้นท่านก็สวยความสุขอย่างอื่นด้วยตามปรารถนาและได้ความสุขจากภาวะแห่งความสุขอันนั้นเต็มที่ ดังเช่นพระอระหันต์อยู่ว่างๆไม่มีกิตอะไรจะพึงทำท่านก็เข้าฌานสี่สวยฌา น, นสุขเรียกว่าเอาฌานสี่เป็นทิตธรรมะสุขวิหารแปลว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและในเวลาที่สวยฌา น, นสุขนั้นท่านก็สุขเต็มที่จากฌานเพราะไม่มีอะไรแฝงระคายในใจ ตั้งจากพวกมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีเชื้อแห่งทุกข์แฝงอยู่ในใจถึงได้ฌานเข้าฌานอะไรก็ยังมีเชื้อทุกข์แฝงอยู่ข้างในไม่โลง่งไม่โปร่งแท้นี่แหละเป็นความแตกต่างอันหนึ่งย้ำอีกทีว่าสุขสูงสุดนี้ทั้งสมบูรณ์เป็นความสุขในตัวด้วยและทำให้มีความพร้อมที่จะสวยสุขอื่นได้เต็มที่ด้วย เมื่อเป็นผู้พร้อมอย่างนี้แล้วจะสวยสุขอะไรก็ได้ลองดูในมาคันทียสูตรที่เคยพูดถึงมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่บรรลุสุขที่สูงอันประณีตนี้เราก็รับประกันตัวไม่ได้ว่าเราจะไม่หวนกลับมาหากามาสุขแต่เพราะเราได้เข้าถึงความสุขที่ประนีตนี้แล้วก็เลยไม่มีความคิดที่จะเสพสวยกามมาสุขนั้น นี่คืออย่างไรถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับผู้ใหญ่มาเห็นเด็กเล่นไขของก็ไม่รู้สึกลงมาว่าทำอย่างนั้นจะมีความสุขที่ไม่สวยสุขนั้นไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้แต่เพราะมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเลยไปแล้วจิตใจก็เป็นไปเองมันเป็นพัฒนาการในทางความสุขตามภาวะของจิตใจที่จะเป็นอย่างนั้น แต่ทั้งนี้ท่านมีความพร้อมที่จะสวยสุขได้อย่างเต็มที่ยังไม่มีอะไรค้างคาระขายเคืองใดๆทั้งสิ้นจึงเป็นสุขที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ก็เลยเท่ากับสรุปอีกทีหนึ่งว่าทั้งสุขตลอดเวลาเพราะว่ามีสุขประจําอยู่ในตัวและจะสวยสุขอะไรอีกก็ได้แล้วแต่ปรารถนาได้เต็มที่เพียงแต่ว่าถ้าจะไม่สวยสุขอย่างไหน